การแสดงธรรมภาคต่างๆแก่ผู้มาอบรมศึกษาตามการนั้นคณะกรรมฐานสายท่านอาจารย์มั่นถือเป็นประเพณีสำคัญสืบทอดกันมาทั้งฝ่ายคณาจารย์และคณะปฏิบัติผู้มาอาศัยมิได้ขาดเพราะการแสดงธรรมภาคปฏิบัติขั้นต่างๆนับแต่สมาธิยังอ่อนถึงสมาธิเต็มภูมิและปัญญายางอ่อนถึงปัญญาอันละเอียดที่สุด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 ทั้งสมาธิทุกขั้นปัญญาทุกภูมิเฉพาะสมาธิขั้นต้นก็ยังไม่สู้สำคัญนักจะมีอยู่บ้างก็เป็นบางรายที่มีความรู้สึกแปลกๆเกี่ยวกับสิ่งภายนอกที่อาจารย์จะคอยให้อุบายวิธีปฏิบัติต่อสมาธิประเภทนี้เพื่อความถูกต้องต่อไปวิธีปฏิบัติต่อสมาธิของแต่ละรายก็ยึดหลักการที่เคยปฏิบัติมาแล้ว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 ถ้ามีข้อข้องใจในวาระต่อไปก็เรียนศึกษาท่านอีกนักปฏิบัติรูปอื่นก็ปฏิบัติโดยทํานองเดียวกันในเวลาเกิดข้อข้องใจขึ้นมาไม่ให้เกิดความสงสัยนั้นๆหมักหมมเอาไว้ซึ่งเป็นการชากักช้าต่อทางดำเนินหรืออาจเป็นภัยแก่นตนเองได้เพราะเป็นทางไม่เคยเดินซึ่งอาจมีผิดพลาดได้โดยเจ้าตัวไม่รู้คณะปฏิบัติท่านถือกันอย่างนี้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 มีความเคารพรักกันมากเมื่อมีสิ่งจะควรปรึกษาปรารพกันต่างหวังความรู้ความเข้าใจต่อกันจริงๆโดยไม่มีทิฏฐิมานะใดใดแฝงอยู่การอยู่ร่วมกันจึงเป็นความร่มเย็นผาสุขไม่ค่อยมีเรื่องราวเกิดขึ้นในวงปฏิบัติความพร้อมเรียงสามัคคีกันความเมตตาเฉลี่ยเผื่อแผ่กันด้วยสังคหาวตถุและอัถธรรมต่าง ความยอมตนต่อกันนับว่าท่านปฏิบัติได้ดีเป็นที่น่าเลื่อมใสทั้งผู้ใหญ่ผู้น้อยมีความเคารพ ก, กันตามอายุพรรษาและคุณธรรมไม่มีอาการจองหองพองตัวมีแต่ความอ่อนน้อมถ่อมตนเจียมตัวอันเป็นมัน ญ, ญาต์ดีงามต่อกันเป็นนิสัยอยู่ร่วมกันด้วยความหวังพึ่งสุขพึ่งทุกข์พึ่งเป็นพึ่งตายกันจริงๆประหนึ่งเป็นอวัยวะอันเดียวกัน ปัจจัยสี่ที่เกิดขึ้นมีมากน้อยภายในวัดท่านจัดการเฉลี่ยเผื่อแผ่ให้ทั่วถึงพระภิกษุสามเณรทั่วทั้งวัดนอกจากสิ่งของมีน้อยไม่สามารถแจกจ่ายให้ทั่วถึงก็แจกให้เฉพาะท่านที่จำเป็นไปก่อนเมื่อเกิดมีขึ้นทีหลังคอยพิจารณากันต่อไปตามความจำเป็นของผู้ที่ควรได้รับก่อนและหลังและพยายามแจกจ่ายให้ทั่วถึงตามปัจจัยสี่มีมากน้อย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 มาใช้ในวงศาสนาเท่านั้นการดูแลสอดส่องมัน ญ, ญาติอธัธยาศัยของพระเนนในปกครองและการแนะนำสั่งสอนตักเตือนว่ากลา่าวท่านถือเป็นกิจสำคัญประจำหน้าที่ไม่ให้บกพร่องตลอดไปแม้พระเนนในปกครองก็กลัวอาจารย์มากเคารพมากรักมากเลื่อมใสามากพอๆกัน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 ที่ท่านพยายามตัดต้นเพลิงเสียแต่ต้นมือจึงเป็นสามีจิ ก, กรรมที่ควรเห็นด้วยการประชุมฟังการอบรมในภรรษาโดยมากเจ็ดวันต่อครั้งดังที่เขียนไว้ในประวัติท่านพระอาจารย์มั่นวันธรรมดาท่านผู้ใดมีข้อข้องใจจะไปเรียนถามท่านก็ได้ตามโอกาสที่ท่านว่างเวลาพักอยู่ในสำนัก ท่านต่างองค์ต่างหาที่เหมาะสมในป่านอกวัดเป็นที่เดือนจงกรมและนั่งสมาธิภาวนาตามอัธยาศัยทั้งกลางวันกลางคืนหลายรายเวลานอกพรรษาท่านชอบออกไปแควนกรดอยู่ห่างๆจากสำนักเพื่อสะดวกแก่ความเพียรแต่เวลาปัดกวาดลานวัดและทากิจต่างๆตลอดการบินทบาทการขบฉันท่านมารวมกับหมู่คณะเป็นปกติ การเดินจงกรมหรือนั่งสมาธิภาวนาของท่านไม่มีกำหนดเวลาตายตัวว่าต้องทำเวลาใดเท่านั้นพอว่างเมื่อไรท่านก็ทำของท่านเมื่อนั้นการกำหนดเดินหรือนั่งทำความเพียรนานเท่าไรก็เช่นกันไม่มีกำหนดตายตัวบางองค์ท่านเดินจงกรมแต่หัวค่ำจนสว่างก็มีในบางคืนเดินสองสามสี่ห้าชั่วโมงก็มี 6-7 เจ็ดชั่วโมงก็มีการนั่งสำหรับผู้ฝึกหัดใหม่นั่งได้ราวชั่วโมงและค่อยขยับขึ้นไปเรื่อยๆตามความชำนาญและความสามารถทางจิตใจผู้ที่เคยนั่งอยู่แล้วก็นั่งได้นานยิ่งจิตมีภูมิสมาธิหรือปัญญาด้วยแล้วก็ยิ่งนั่งได้นานครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งตั้งสามสี่ชั่วโมงบ้าง 5-6 หชั่วโมงบ้าง 7-8 ปดชั่วโมงบ้าง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 ฉะนั้นเวทนาทางกายจึงไม่ค่อยรบกวนท่านเหมือนนั่งธรรมดาไม่ได้ภาวนาท่านที่มีภูมิจิตสูงทางสมาธิเวลาเข้าที่ภาวนาพอจิตรวมลงแล้วพักอยู่เป็นเวลาตั้งหลายๆชั่วโมงจึงถอนขึ้นมาเช่นนี้เวทนาไม่มีมารบกวนได้ถ้าจิตยังไม่ถอนขึ้นมาตราบใดเวทนาก็ยังไม่เกิดอยู่ตราบนั้น ด้วยเหตุนี้การเดินหรือการนั่งของผู้มีภูมิจิตหรือผู้ยังไม่มีภูมิจิตจึงต่างกันอยู่มากในบุคคลคนเดียวกันนั่นแหละเดินจงกรมหรือนั่งสมาธิทั้งที่จิตยังไม่มีภูมิทํามอะไรเลยกับเวลาจิตมีภูมิทําแล้วก็ต่างกันอยู่มากมายเช่นเวลาฝึกหัดให ม, ใหม่เดินหรือนั่งเพียงชั่วโมงเดียวก็แยกอยู่แล้วพอจิตมีภูมิทําแล้ว เดินหรือนั่งตั้งหลายชั่วโมงก็ไม่มีเวทนามารบกวนจึงทำให้เห็นได้ชัดว่าเรื่องใหญ่ขึ้นอยู่กับใจมากกว่ากายอีกประการหนึ่งอากาศพอเย็นสบายหรือมีฝนพราหม์เล็กน้อยทำให้ร่างกายสบายจิตใจปลอดโปร่งดีขณะเข้าที่ภาวนาจิตจะผิดปกติกว่าเดิมทั้งทางสมาธิและทางปัญญา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 ความเพียรจึงสืบต่อกันทั้งเหตุและผลกลมกลืนไปโดยสม่ำเสมอความเจริญทางใจก็ปรากฏชัดขึ้นทุกระยะจะเป็นสมาธิก็ทราบชัดว่าจิตลงได้ละเอียดละอ่อทางปัญญาก็ทราบชัดว่ามีความแยบคายไปทุกระยะที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์เครื่องพิจารณาใจก็ค่อยๆผุดโปรขึ้นจากเปือกตมคือกิเลชนิดต่างๆโดยลาดับ เหมือนพระอาทิตย์อุทัยขึ้นจากพื้นพิภพส่องแสงสว่างมาสู่โลกฉะนั้นผลเหล่านิลาทาให้ท่านนักปฏิบัติทั้งหลายเพลินในความเพียรจนลืมมืดลืมสว่างลืมวันคืนเดือนปีนาทีโมงเพราะความไม่สนใจคำหนึ่งสิ่งที่จดจ่อต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลาก็คือความเพียรกับสติปัญญาที่จะนำชัยชนะมาสู่ตนอยู่ทุกระยะที่บำเพ็ญ เห็นความพ้นทุกปรากฏอยู่กับใจดวงกำลังถูกเวกจอกแหนคือกิเลสชนิดต่างๆที่ปกคลุมออกด้วยสติปัญญาไม่ขาดวักขาดตอนนั่งอยู่ก็เวกยืนอยู่ก็เวกเดินอยู่ก็เวกนอนอยู่ก็เวกเว้นแต่หลับพอตื่นนอนขึ้นมาก็เตรียมเวกจอกแนคือกิเลสออกจากใจเท่านั้นเป็นกิจที่จําเป็นคู่กับชีวิตท่านจริง บรรดาครูอาจารย์ที่ท่านปฏิบัติมาก่อนจะได้มาเป็นอาจารย์สั่งสอนประชาชนรู้สึกมีความเข้มแข็งบึกบึนและได้รับความทุกข์ลำบากจากการฝึกทรมานคล้ายคลึงกันทั้งที่ล่วงไปแล้วและยังมีชีวิตอยู่ฉะนั้นผู้มีความมุ่งหวังต่อธรรมะดังที่ท่านรู้เห็นและแสดงให้ฟังจึงไม่ควรปฏิบัติลัดคิวเอาตามใจชอบแบบที่โลกเขาทากันได้ผล ควรทราบว่าธรรมะกับโลกผิดกันมากถ้าไม่เดินตามแบบที่ท่านพาดำเนินมาแต่จะเอาความสะดวกเข้าว่าแบบลัดคิวให้เป็นธรรมะสมัยใหม่ขึ้นมาในใจนั้นน่าจะไม่มีหวังเพราะธรรมะมิได้เป็นไปตามสมัยเก่าและใหม่แต่ธรรมะก็คือธรรมะโลกก็คือโลกมาดั้งเดิมมิได้เปลี่ยนแปลงการปฏิบัติธรรมจึงควรดาเนินตามเหตุที่เหมาะสม ผลที่พึงหวังจึงจะมีทางเกิดได้การจะดัดแปลงธรรมะเอาตามใจชอบไม่คำนึงดูความควรหรือไม่ควรจึงเป็นเหมือนการปฏิบัติแบบลัดคิวส่วนผลที่มุ่งหวังจะเป็นความขาดคิวหรือตกรอบไปใช้ไม่ได้จะเกิดความเสียใจและเมาเอาว่าตนทำรอดตายไม่ได้รับผลเท่าที่ควร ไม่ทำเสียดีกว่าคำว่าดีกว่าด้วยการไม่ทำเพราะความเข้าใจผิดก็จะกลายเป็นพิษเผาตนไปนานกลายเป็นผิดสองซ้ำย้ำสองหนซึ่งล้วนเป็นการทำลายตนให้เสียไปเปล่าเพราะความมักง่ายชอบปฏิบัติแบบลัดคิวจึงขอเตือนไว้พอเป็นข้อคิดว่าธรรมะเป็นธรรมชาติที่มีกฎเกณฑ์ทั้งฝ่ายเหตุฝ่ายผล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 จึงเลือกเฟ้นแล้วเฟ้นเล่าด้วยปัญญาอันแหลมหลักกว่าจะนำธรรมะออกในนามสวากขาตธรรมว่าตรัสได้ชอบแล้วถูกต้องสมบูรณ์เต็มที่แล้วเหมาะสมแก่การสถานที่และสมัยธรรมะนิยมเต็มที่แล้วสมบูรณ์ทั้งอัตตะทั้งพยัญชนะถือเอาใจความก็ว่าสมบูรณ์เต็มที่แล้วทั้งเหตุและผลควรแก่การปฏิบัติตามไม่มีเคลือบแคลงสงสัย ผลที่จะพึงได้รับก็ไม่มีอะไรอื่นนอกจากความสุขความสมหวังไปโดยลําดับนับแต่ขั้นกัลยาณธรรมถึงขั้นอริยธรรมถ้าเป็นนามของผู้ได้รับผลก็เป็นกัลยานณชนและอริยชนไปตามลําดับจนถึงอรหันตบุคคลไม่มีบกพร่องทางคุณธรรมที่เกิดจากการปฏิบัติเป็นมัชชิมาผู้ปฏิบัติเป็นมัชชิมาตามหลักธรรมมีแสดงไว้ว่า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 ถ้ามีบ้างแล้วก็ควรเจริญวิปัสนาปัญญาไปด้วยกันตามโอกาสที่สมาธิถอนขึ้นมาและมีกำลังพอควรแล้วการพิจารณาทางปัญญานั้นควรแยกแยะธาตุขันมีรูปประขันเป็นต้นออกพิจารณาโดยอนุโลมปฏิโลมถอยหน้าถอยหลังกลับไปมาโดยทางปฏิกูลหรือทางไตรลักษณ์จนมีความชานิชนานาญคล่องแคล่ว อันดับต่อไปก็พักจิตโดยทางสมาธิดังที่เคยทา ม, มาอย่างนี้เรียกว่าการบำเพ็ญสมาธิและปัญญาให้เป็นไปโดยสม่าเสมอไม่หย่อนในธรรมะนั้นยิ่งในธรรมะนี้เพราะสมาธิกับปัญญาทั้งสองนี้เป็นธรรมะพยุงจิตให้เจริญขึ้นโดยลำดับไม่มีวันเสื่อมคลายผู้บำเพ็ญ จึงควรสนใจทั้งสองอย่างให้สม่ำเสมอกันแต่ต้นจนอวสานแห่งการบำเพ็ญเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานศีลก็ดีสมาธิก็ดีปัญญาก็ดีมีชัยธรรมะล้าสมัยและมีชัยธรรมะเลยสมัยแต่เป็นธรรมะที่เหมาะกับทุกยุคทุกสมัยตลอดมาและตลอดไปเป็นอนันตการ ไม่มีการสถานที่ละบุคคลมาบังคับให้ธรรมะเหล่านี้ต้องเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นเป็นธรรมะที่เหมาะกับกิเลสทุกประเภทที่มีอยู่ในใจสัตว์ไม่มีสิ่งใดยิ่งไปกว่าผู้ปฏิบัติจึงควรทำให้เหมาะสมกับธรรมะที่จะนำไปแก้กิเลสชนิดต่างๆให้หลุดลอยไปจากใจเป็นพักๆคาว่าศีลสมาธิปัญญานี้ เป็นธรรมะที่แหลมคมยิ่งในศาสนาที่ใช้เป็นเครื่องมือแก้กิเลสทุกประเภทให้หมดสิ้นไปไม่มีกิเลสตัวใดเหนืออำนาจธรรมนี้ไปได้และธรรมะทั้งสามนี้เป็นธรรมะเกี่ยวเนื่องกันจะแยกเอาแต่ธรรมะใดธรรมะหนึ่งแก้กิเลสให้สิ้นไปโดยสิ้นเชิงยอมไม่ได้ต้องพร้อมองคกัน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 จึงขออภัยท่านผู้อ่านไว้ด้วยที่เรื่องหนึ่งหนึ่งควรจะจบแต่ก็ยังจบไม่ได้ดังที่เรียนแล้ว